นการประชุมกันเมืองนิดจึงเป็นเหตุนิว่าเป็นที่สร้างแห่งความไม่เที่ยงเป็นที่สร้างแห่งความเจริญทุกเดือนให้รวนประชุมเมื่อประชุมกันรักษาทียงกันปตุมเมื่อเริ่มประชุมรักษาทเพียงกันเได้ดับความพียงกันทางจิตที่สูงจะต้องทําในสิ่งนั้น ให้การเดินารทตันอย่างจะมีเปี่มสงอะไรอันหนึ่งที่จะเพื่อน้ารอันคนมันจะน้อยนง่าอมจากการดูโศกไอ้คนหนึ่งไอ้คนผลตะไอ้คนวโดไอ้คนเก็ดอันหนึ่งนะเพาะนั้นคนได้ขึ้นจะขึ้มันลมกเลย มันจะกระโดดไปถ้าเราต่างคนต่างหนีไปของน้อยมันก็มากควรที่จะต้องทําเสร็จสองนาที ท, ทําัสามสิบนาทีมันเป็นเสร็จจะนั้่งกันจังไงครับเพียงกันไประชุมพอแล้วปิดห้าวันโดยปกติกกที่ห้าวันพวกเราทั้งหลามันจะจุนกันคืนพอ จัดที่เด็ดการไปปรุมกันเมืองยิดเนี่ยพร้อมต่อป็นวดไม่ใช่การคุกครีกันเมืองยิดการไปปรุมกันเมืองนิบกับการคุกครีกันเมืองยิดนี่มันต่างกันการคุกครีกันเมืองยิดเนีมันทําลายไม่ว่าทูมไหนไปช่างเถอะถ้าคุกครีกันเมืองยิบจะทําลายทําลายหลายอย่าง ซึ้นจัดโดยพ่อใหญ่ใจความมากไม่เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยเรื่องคุกครีกันเนืองนิดไม่ใช่เป็นคำไม่ใช่เป็นดีนไม่ใช่เป็นคําสอนของสถาคดังนั้นการในกลุ่มใดคุกครีกันเนืองนิดมันจึงไม่เจริญเฉื่อมมันเึ่งเฉื่อมให้เข้าใจการประทุมกันเนืองนิด รับการคุกครีกนันเมืองนิดที่มันคนละอย่างกันให้เข้าใจโดยมากมันชอบอยากจะเป็นการคุกครีกนันเมืองนิดเพราะว่ามันเป็นไที่รีดของคนมันชอบไหลไปในที่นั้นไปชอบเล่นไปชอบพูดสิ่งที่ไม่เป็นสาระตามที่ดีดตัอหาของมนุษย์เราพูดเล่นพูดเล่น พทษสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแล้วมันเกิดสนุกกันไอคนเรามันมีจริติอยู่แล้วเราไปพูดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เป็นสาระมันจะเกิดสนุกกันงทั้งที่มันไม่ควรมันก็สนุกทั้งทั้งมันผิดมันก็สนุกในความสนุกสนานขึ้นพับผมแล้วก็ดูตัว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 ยกทิศขาบทีไนสีปาทิโมซึ่งเป็นปากเป็นทางนี้ ข, นขึ้นแสดงโดยเป็นภาษามคตถึงแม้ว่าเรายังไม่รู้จักภาษามคตก็เกิดประโยชน์ถ้าเราทึ้นภาษามคตมีไปเสียมันก็ยิ่งเสื่อมเลยทีนี้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 นวโกว่าคือเป็นโอวาเป็นคาสอนของผู้ใหม่จะต้องดูตรงนั้นมันเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจให้รู้เรื่องเมื่อเราเข้าใจภาษาไทยอ่านแล้วจะรู้เรื่องภาษามะคตว่าในพระปฏิโมกนี้อะไรบ้างคนที่สนใจจะต้องเป็นเหตุอย่างนี้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 อะไรสงสัยจำไว้เรียนถามสูบาอาจารย์ตรงนี้ไหมายความว่าอะไรมีความหมายอย่างไรจะได้เข้าใจนี่เรียกว่าผู้ประมาทที่ผู้ประมาทนั่นัวเรียก ว, ว่าแสดงพระปฏาิโมกข์ก็นั่งฟังเป็นภาษามาคตไม่เข้าใจก็ไม่ใจถามไม่เอืดอื้ง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 มันในโคงตัวฉะนั้นการประชุมกันเนืงนิดมี้เกิดประโยชน์มากในครั้งพุทธกาลวันอุโมสถมีประมหากัรตปะเป็นประธานเป็นตัวอย่างซึ่งแม่ต่นจโอยางไกลพระพุทธเจ้าก็ดีท่านพยายามเดินผ่านแดด ผ่า น, นานโซนผ่านโซนผานตมมาเป็นผู้กระรุเพื่อจะมุ่งเข้ามาประพฤติปฏิบัติข้อวัดอันนี้ให้มันจเจริญที่เรียกว่าปาฏิโมกขีเรว่ามันประชมกันเมืองนิดนี่ให้มันจเจริญเจริญขึ้นเมือม่อประชุมประความเพียงกันประชุมเมื่อเลิ ก, กประชุ ม, รมปมระความเยงกันเลิก มันมีเป็นประโยชน์ทั้งสมณะเป็นประโยชน์ทั้งฝ่ายธรรมะเพรา mm hmm. ะนั้นธรรมะข้อ น, นี้คําสอนข้อ น, นี้สันติว่ามันเป็นคำที่เจริญไม่เสื่อมสลายเป็นคําสอนที่ถูกต้องเป็นปริญติควรศึกษาจะ mm hmm. ไปถือว่าเราไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้จะต้องศึกษาจะต้องใส่คำถาม จะต้องอเอือฟื้อทำไมเอือเฟื้อเป็นนบัตเป็นนบัตทุกกฎมันเปนเอือแต่เรื่องมันเป็นนบัตทุกกฎก็จริงแต่ว่าเฉพาะที่ว่าไม่เอือเฟื้อไม่เอาใจใส่เป็นนบัตทุกกฎถ้าเราทําผิดพลาดไปจนเป็นประชดได้เพราะไม่รู้จักไม่เอื่เฟื้อ อันนี้มันเป็นอิทอย่างร้ายแรงฉะ น, นการกระทำกันวันนี้เดียวว่าออทำตามการตามสมัยทีนี่ผมเลยมาอยู่นี่เช่นมา ว, วัดสางเช่นว่าวัดบ้านน้องโกซึ่งเขาสบายทีนี้ผมจึงกำทับญาติโยมเราว่าวัดบ้านน้องโกเนะี่ยมันอยู่ห่างไกลจากวัดต้งปะปุง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 เมื่อมารวมมันมีอะไรบ้างที่เป็นธุระหนาทีของเราที่จะต้อง ป, ปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องมาพูดกันทางกา ร, ระยาชิพห้าวันมันคงมีละถ้าอะไรมันขัดขวางอยู่ในหมู่ข้อปฏิบัติของพวกเราเนี่ยเมื่อพูดึ้นมาคนที่มาประชุมกันนะเข้าใจได้ฟัง ได้ฟังได้ฟังไม่พอเข้าใจเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเข้าใจแล้วแล้วก็ทําถูกช่องกันหรือทำงานจเจ้วีรานั้นเอาตอนนั้นเวีรานี้เอาตอนนี้ในที่ประชุมตกลงกันเมื่อไปทํากันมันก็พร้อมกันอืมตกลงกันเมื่อเราไม่มาประชุมอ่ะคนที่มาประชุมบ่ะไม่มาประชุมไม่รู้เรื่องกัน มาปฏิบัติมันก็แยกกันไอ้คนนี้ทำคนนั้นไม่ทำเล่วุ่นไปเลยฉะนั้นมันจึงเป็นที่ตั้งแห่งความเฉียยถ้าเราขาดการประชุมการนี้มีพระมหากัจจปะเถระกงคงใหญ่เป็นประธานท่านเป็นผู้เอาใจใส่ในการทำโมโสดงนอกจากนั้นก็ยังได้ไปเข้าใจ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 งานมาที่หลังเรื่องมันตรงนี้คือเรื่องจิตของตงนี้เมื่อจิตของตรงเกิดขึ้นจิตของเราข้างอยู่เป็นว่าเราเหยีบดข้าเป็นส่วนตัวของเราเมื่อถึงคราวนั้นพร้อมกันขวัดมั้ยหรอพร้อมกันตับน้ำหรือพร้อมกันทําอะไรจึงเป็นจิตตงนี้ ไอ้จิตส่วนของเราเนะ่ยเอาไว้ก่อนวางไว้เอาไว้นะี่ยต้องช่วยกันทําจิตสึงให้เรียบร้อยก่อนนี่เป็นสิ่งจิตลำบากมากเป็นพระหน้าที่ของพวกเราที่จะพร้อมกันตามสีกันจะไปแยกจากวัดประพงศ์อยู่ที่ไหนประดามีเออคนเราถ้าไม่เคยเดือพูดกันไม่เคยเดือดสัง ค, คมกัน มันก็ห่างไปดีห่างไปดีเหมือนนี่ของเราไม่ไปจะได้รับมันก็เกิดสนิมเท่านั้นเนี่นานๆไปนานๆไปก็ไม่อยากใกล้ครูบาอาจารย์เมื่อใกล้ครูบาอาจารย์ไปเท่าไหร่ยิ่งทําตามอำนาจใจของเรารู้อยู่ก็ต้องทําทําไปทําไปมันมีความผิดในใจของเราอยู่พ็ยิ่งเคพื่อมความรู้สึกขึ้นมาก ที่จะไปรวมตูมที่ประพฤติดีประพฤติชอบเราไม่ไม่อยากจะไปจะต้องหาเรื่องดีอะไรอันหนึ้นจะได้กลัวกลัวครูบางอาจารย์กลัวสงจะยกข้ออนั้นขึ้นมาในสงฆ์ยิ่งกลัวยิ่งไร้ตัวออกจากความดีจากพระธรรมในนัยมันก็อายไปดีเดี๋ยวมื่อบาปมันพอนกธรรมะหรือก็ไม่ไดูเรื่องจะออกไปจากเพื่อน ออกไปแล้วก็ได้เกิดเป็นสังคมมณีเปลี่ยนออกไปเปลี่ยนอต่ว่าเป็นเลยนะฉะนั้นการประชุมกันเนืองนิดนี้ที่เกิดประโยชน์มากฉะนกเราต่างหลายจึงตั้งอันนี้มาช่วยกันบำรุงอันนี้ขึ้นทุกคนเีนเส้นรัศ่ีนอก เป็นวัดน้องโกถ้าหากว่าไม่เป็นสิ่งที่จำเป็นสุดๆต้องพยายามมาอรมเพื่อเราหรือเพื่อครูบาอาจารย์จะสั่งสอนจะพูดอะไรให้มันรู้เรื่องกันทีนี้นี่เดียวว่าการประชุมกันอย่างนิดมีประโยชน์อะไรที่ยังไม่ถูกต้องเราควรแก้มันถูกต้อง อะไรที่มันผิดในรูเรื่องเราจะรู้จักความผิดอย่างนั้นดีทั้งนั้นนะดังนั้นตรงพาการเข้าใจให้เข้าใจในการกระทำในวันนี้ยี่ว่าการทำอุโบูถเป็นเครื่องจะให้ตรวจพวกเราให้บริสุทธิ์ซ้อมเพียงกันต้องพยายาม อันนี้เป็นจิตจำเป็นจิตที่ตายตัวเลยถ้าหากว่าเราขาดการรรมโุโศดรวมวันนี้แยกกันการทรมโมโศดเนี่ยมันควบคุมหลายอย่างให้แน่นแฟนขึ้นในตรมนี้ต้องรู้จักฉะนั้นจิตนี้เป็นจิตโดยตรงของพวกเราทรรมดาที่จะต้องเอาใจ t i f นอกจากนี้ยังมีจิตอะไรต่างๆที่อะไรที่ยังไม่พร้อมจะยกขึ้นมาศึกษากันเอากันอย่างไรอย่างนี้ศึกษากันไปเรื่อยๆข้อวัดมันก็ใหม่อย่างเรื่อยๆเหมือนมีดเรารับบ่อยๆมันจะมีคมบ่อยๆถ้าเราไม่รับมันจะ เ, เปิดเั็น หงออกห่างออกส้นนิษฐานเป็นเจ้าเรือนมันก็เข้าข้างสันนิษฐานนั่นแหละเป็นนิีกที่อันนี้เราไปสังรงครูลวาอาจารย์มันก็แยกกันออกไปเสกเฉลิฐที่มีมแยกเป็นกลุ่มแยกเป็นพูดไปอย่างืนึงสวดไปอย่างนึงความเหมืนไปอย่างนึงแยกกันออกไปนี่เพราะอะไรเพราะขาดการประจุมกัน ไปมันไกลไปห่างไปไกลไ ป, ไ ป, ไปอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญไอสิ่งที่เราทําคนเดียวเนี่ยนะมันเป็นสิ่งสําคัญนะออยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่หลายคนที่มีคนเตือนกับคนที่ไม่มีคนเตือนมีต่างกันมากเลยถ้าจิตใจของเรามาถึงจุดยืนแล้วนไปนฮะฮให้เขาใจ ในขีจัการทำโอุโบโสถที่มันทีนเป็นแกนกลางของหลักศาสนา้นโลกินนิมันเป็นินนินสมบูรณ์ศาสนาจะเสื่อมเสื่อมอะไรก่อนเสื่อมพระวินยัยเสื่อมการรัฐธรรมอุโบโสถที่ก่อนก่อนเพื่อน ชาพะไม่ทำโอโบสดกันแล้วแยกกันอยู่แล้วนั่นแหละเชื่อมแล้วการทําอโบสดมันมีสองอย่างการทำโอเบสถอยู่จะที่ถูกต้องตนนี้ที่ไม่ถูกต้องับนี้อย่างการทำโอเบสถ แบบสวดปฏิโมกก็ดีอะไรก็ดีเรียบร้อยทุกอินเดือนแต่ว่าเราไม่ปฏิบัติตามพระดินนยอันนี้อันนี้ก็ไม่เป็นปฏิโมกอันนี้ก็ไม่เป็นโมเสเชื่อยแล้วแต่เรามาถือเอาการกระทำนั่นน่ะมันไม่เฉื่ อ, อการกระทำนั้นมันไม่เฉื่ แจกแกนการมันนั่นหมดแล้วไม่มีไอความหมายมันน่ะไม่มีนะแสดงถึง1ิบห้าิบห้าวันมาตอนปฏิโมกมาแสดงแต่ว่าในพระวินัยนั่นน่ะในพระปฏิโมกษ์ขั้นห้ามอะไรบ้างไม่รู้เรื่องทำอยู่ตามเคยนั่นเนี่เคยทาอะไรก็ทาอยู่ตามเคย เคยเคยกินข <t ries> ้าวเย็นก็กินอยู่ตามเคยเคยขุดลินก็ขุดลิ้นอยู่ตามเคยเคยค่าขายอยู่ก็ฆ่าขายตามเคยเจวะแสดงปฏิโมกข์มาอยู่ถูกต้องดีถูกที่าตกรรมเยอเกินอเนี่ยเจวะกินข้าวเย็นอยู่เจวะขุดดิ้นไม่อยู่ฆ่าขายไม่อยู่ เล่นนอกทีนอกรอยไม่หยุดทั้งแสดงปตฏิโมกก็ไม่หยุดทั้งฝ่าฝืนปาฏิโมก็ไม่หยุดทำเปล่าทำไปเปล่ า, ท, า, า, าทั้งนั้นอันนี้ประเดียก ว, ว่าหมดหมดปาฏิโมกเนี่ยหมดการทำอุ โ, โบสถแล้วคือทำอุ โ, โบสถมันไม่เป็นอุโบสถ แต่เราถือการกระทาเราเลยทำอยู่ mm. ฐานที่ว่าไม่ถูกต้องมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่เป็นอุโบส mm. นี่เรียกว่าเชื mm. ่อง mm. แบบนึงแบบนึงก็เรียกว่าไม่ต้องแสดงปฏิโัคิหรือไม่ทำเลย มีจะไปรูปไหนประชังมันอยู่เป็นรามธรรมดาแอันนี้ก็ดีว่าไม่ได้ทำปาติโมอย่างนั้นศาสนามันเสื่อมไปเพราะจิตอย่านี้ทำปาติโม่ไมครบองค์มันไม่สำเร็จประโยชน์มันเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ ทุกวันนี้กอยิ่งจะเป็นพิษนะเป็นพิษซึ่งอ่ะมาทรรมโบสดันี้พระก่อนมนยามนะก็พกเงินมาพกปัจจัยมานนคนนั้นก็พกมาคนนี้ก็พกมาใช้เงินใช้ทองกันโดยที่ว่า ไม่ได้คำนึงถึงปณินในเลยถึงวันสแสดงก็จะมองว่ า, วาสแสดงมันถูกสร้างทีพระรัศราาดีไยอันนี้ก็ไม่เคยประโยชน์ในการแะดงไม่ละทำแย่ว่าไม่ปฏิบัติเอาทเที่ยวแย่ว่าไม่คืิดทำนาแย่ว่าไม่เกี่ยวข้า มันก็ไม่เกิดประยชน์อะไ่านี่ดังนั้นคำ่งสเสริญว่าแบบการประชุมกันอยองนิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สาคัญเป็นหลักของคุกษาศาสนาด้วเกินอันนี้ขอให้พระสงฆ์เราเข้าใจกันให้เข้าใจพยายามพิสูจน์ถึงแม้ว่า มันนี้ได้ฟังปาฏิโหกแล้วก็อย่าพอใจว่ามันแล้วไปถึงวัดไปถึงที่เราส้องหยุดเรโกวาดมาอา่านอ่านจนมันเข้าใจข้อไหนจําไว้มาเรียนครูว่าอาจารย์จนมนันได้เป็นที่พอใจของเราอย่างนั้นก็รู้จักอาบัสิเป็นบัตมันเรืยกว่เป็นบัตมัน เราปฏิบัติถูกต้องไหมไม่ถูกต้องมัรู้จักสิถ้าเราไม่เรียนไม่ศึกษาไม่เอาใจใส่ไม่เอื่มเพื่อมันจะรู้อะไรไม่รู้นั่นคือว่าไม่รู้เพะไม่ศึกษาเราจะไปถือว่าฉันไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้จะต้องศึกษาต้องฝึกอือันนี้เป็นลักษณะที่เราจะต้องปฏิบัติให้เสาใจทุกคน ถ้าหากว่าเราไม่ประชุมกันนี่ไม่มีต้นไม่ปลายไม่มีพระมีมืพูดก้าวตายกันไม่รู้จักอาวุโสไม่รู้จักพระอ่พระแก่ไม่รู้จักครูบาอาจารย์ไม่รู้จักอะไรอะไรทั้งนั้นมันไม่รู้จักเหมือนเหมือนคนที่ไม่รู้จักอะไรถึงแม้ว่ามันย่อหย่อนในสิ่งทั้งหลายแบบนี้ ยัมญาเรยานของผู้ไม่เอื้อเฟื้อไม่ประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่เป็นที่น่าเลือกใยของครูบาอาจารย์ของประชาชนทั้งหลายควรเราจับสัตจวงใจ้เราทูกคนเพราะว่าพวกเามากขึ้นสาขาทั้งหลายกระจายไปมากขึ้น เมื่อมันมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละมันคุมันไหวและมันไปคนละทิศมันไปคนละทางเชื่อมในร่างฉะนั้นสิ่งจริงวัดประพงษ์นี่มันกว้างจะต้องอาศัยคนพระที่สาคัญอยู่หลายองค์เช่นตรงเนี้ยผมอยู่ที่โบสถ์ผมก็จะพยายามที่สจะตามคนแก่จะอบรมเรื่องสมาธิถึงเวลาค่ำให้มารวมกันที่โบสถ์ ทุกวันพยายามทุกวันฝึกญาติครางนั่นท่านอาจารย์ชูอยู่มีตรงที่ตรงทำให้นำทิ้งเวลาลวให้พยายามนำจวดมนทาวัดสุดท้ายโน้นท่านอาจารย์เลียนให้ปฏิบัติเข้ารวมกันเข้ารวมกัน คือจะหากว่ามันขัดข้องอันก็จะมีอาจารย์หน่นนะพราะว้าก่อนสองสามองค์ต้องพยายามย่ายให้มันขาดพยายามพิถีพยายาิถันแต่นอกจากนั้นก็มีพระในหลายองค์ก็จ่ช่วยกันช่วยกันและการประชุมกันในเีราที่มันสำคัญก็ดีแบบพระที่สำคัญนันต้องเอาใจใส่เพื่ออะไร ก็เป็นตัวอย่างของพะรุ่นรุ่นหลังถ้ายอย่างนั้นก็คือว่าไม่จูงใจกันไม่อบอุ่นกันยกตัวอย่างเช่นว่าตรงๆไปเช่นว่าท่านอาจารย์ค้องอยู่กับผมมานานเราไม่ได้โุดเขาไม่ได้หว่ากล่อยดูนึ่ว่าจะปรับตัวขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่เคยปรับก็อยู่นี้ การทำอมโบสถก็ดีการบวชน้านก็ดีการประชุมอะไรก็ดีนะมันน่าจะช่วยส่งเป็นหน้าเป็นตาให้เป็นที่เคารภสกรรักกะบูชาของนวกิกาที่เกคงจะมาจัดการอันนี้อันนั้นให่เป็นหูเป็นตาแทนครูบาอาจารย์ควรจะขึ้นมาก่อนีน่เรากําลังท่องแคลื่อนอะไรแบบนีน้อันนี้โอ้บางทีวันอุโบสถจะไม่อยากจะมา บวชหน้ากันนี่ไม่จําเป็นเดน อ, นอยวนอนเฉยๆก็ไม่อยากจะมาเนี่ยมาก็มานูน่นจวนล้วเสร็จแล้วเนี่ยมาใกล้ไม่มีท่าอันนี้ผมมันไม่ดีแล้วมันใหญ่เกินไปมันใหญ่กว่าสงมันใหญ่กว่าภูบาอาจารย์ปีนี้ผมในตั้งใจแล้วสอนไม่เคยได้ทําอะไรทัศน์วายางอื่นเขาทําดี แนนั่นั่งคื้อทามีถ่ายภาพจะได้อะไรถ่ายหนังชอบใจเขาไม่น่ามันไม่ใช่สิ่งสําคัญ น, นั่นน่ะมันเชื่อยตรงนั่นถ่ายจะได้ถ่ายหนังถ้าถ่ายเไปปุกบถ้ามี น, ะนจะชอบด้วยถ้าเรียกเงี้ย น, น้อยขอไปเถอะผมไม่เคยไปดูเลยมันชอบอย่างนั้นที่เด็กบางคนมันชอบอย่างนั้นผมก็ปล่อยผมก็ดูอยู่เรื่ อ, อยผมก็เป็นอย่างนั้นถ้ามันจเจริญขึน้นมากประยุด์นะ อย่าบ่อยครั้งนะยุบลงถ่ายถึงวันที่จะไปสมมติเสมาถึงบ้านเมื อ, อกันนอกอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่กันควรส่งจะช่วยกันผมก็จัดให้คณะองค์นั้นธรรมนั้นนั้นไปช่วยกันทุกไม่เพียงไรไม่มเป็นไข่ในงานจําเป็นถึงเวลาที่จะต้องทํากรรมนะั้นไม่ไปทุกเสียงแสดงว่าฉันไม่พอใจสแสดงว่าฉันไม่เห็นด้วย แสดงว่าฉันไม่คารมในสงฆ์หมู่นี้ไม่คารมน้ำอาจารย์ไม่บอกเราไปเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นมันงานที่จะประสานการนำสันติสุขสายผมก็ไม่ว่านะวันนั้นผมก็มาทวงผมก็พูดตรงตรงไปเลยเนะี่ยเห็นอยู่รับสารภาพของผีตาไหลอันนี้ผมบอกแค่นั้นนนะน แต่ว่าอยู่มาสักม่กี่วันลาไปสุดดวงอนะ่ะมนต์ดีดีแล้วไปสุดดงเนะนี่ยก็ไปสุดดงก็ให้ไฟตองกรมีวาลองไปดีลองไป ย, ย, ยาจะให้ไปด้วสุดดงนะ่นอนแค่อยู่ในวัดต้องกว่างนี่ไม่ไม่ทำอะไรอย่างนี้นะ่ะอันนี้ไม่ใช่นินทาท่านหรอกเดี๋ยวท่านดี เขียนหนังสือก็ดีให้ทําอะไรก็ดีนะอย่างแต่ว่าใจมันเป็นเด็กไม่เป็นผู้ใหญ่ให้พระไปทํางานด้วยใครไปทํางานด้วยนหะนีนนเท่านั้นคุ้มเข้ไม่เข้าไม่รู้ว่าเป็นอะไรอย่างผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระที่ว่าให้ลูกศิดย์อยู่หาง่ายหรอกถ้ามันไม่เต็มทีต้องปฏิวัถ้าหากว่าถ้ายิ ง, ยงนะให้มันถูกเลยถ้ายิงไม่ถูกไม่ยิงแ โป้งก็ไปให้มันถูกเพียเ้ยเลยถ้าไม่ถูกไม่ยินินสัยสอบเป็นอย่างนั้นบางทีจะเฉือนเพราะบาทีเราคายใจติดติ๋วกับนี่จังยูกันเป็นนานๆบางครั้งงูสงจนไม่พอใจบ้าผมนั่นนะเรื่องอะไรนานเมื่ อ, อไรจะทําอย่างนั้นเมื่ อ, อไรทำอย่างนี้นอ่าก็มีในกาไม่ทําใจเขาเรื่องอันนี้เรื่องพิดเจะระนาน เรื่องอิโ้โฟมันไม่ถูกเลยเ๋ยวไปยิงมันผิดมันเสียเมือ่อชะลอชะลอไปว่า้เป็นอยูง่งเป็นก็เขาผิดเราไม่ผิดแร้วไะมันเป็นอะไรบางทีก็จะใช้เวลานานมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นควรเปลี่ยนยนิสัยวันอุโบสถพระควรใส่ใจทุกคนทุกคน คนมาขวดควรมาทํามาตั้งน้ำชายมาตั้งน้าฉันอะไรก่อนสักเดร๋ให้ครูวาจาันเบาผู้ประกอบารผู้ประกอบการเห็นไหมขวดโบนขวดตรงฉันตั้งน้ำชายน้ำฉันมันเรียบร้อยมันเป็นจิจที่สําคัญจิตจนีลจะต้องต้องดูแลอันนี้อิกอันนี้ผมอยู่กับครูวาจาันผมก็รมากไปสุ อยู่กับพระแก่ๆนี่ยไม่ได้ทําพราะพระแก่ๆพวกทำโมเดียวผมนักเป็นมรรพชัยผมมาเลยมาจัดมาทําทําแล้วมันสบายใจเอง ม, มันผองสายใจสบายเลยทําจิตอบบนี้เมื่อหมดธุระแล้ววัดอุโบสถตั้งนำใช้หลาัางศาลแผดหาว่างๆแอบข้างเดินจุกลมอยู่อารมณสบายใครไม่ทําผมก็ตั้งใจไว้แล้ว นี่จะต้องทราอันนี้มันมเป็นกิตที่สัมพันธ์ ก, ก, ก, กับโจรจังนั้นในประกันเข้าใจถ้าหากว่าเราพระที่พระเก่าไม่ที่ทางบ อ, อกไม่เอาใจใส่เด็กบางคนไม่ดูเรื่องไม่ดูเรื่องมันก็ไม่ดีใครครับให้มีในธรรมกเรื่อยๆไปอย่างนั้นต้องหาโอกาสกันพระทกวงต้องพยายามฟัง อยากจะขอพระอาจารย์ทุกองขอให้เตือนไม่มากก็ส่วน้อยเรียกเอ้าเรียกทำนั้นทำนี้เรีย ก, อยกสอนให้รู้จักกันก่อนอันนั้นนที่เราได้บอกแล้วในยสอนแล้วน่ยไม่ทำเนี่ยเป็นเรื่องของคนนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นสิ่งสำคัญเรืเสียหาย อันนี้พวกเราอยู่ไปจะต้องไม่สบายถ้าทิ้งการมาทานนี้ต้องพิเจรินาคือหมายก็ว่าคนมีปัญญาน่มันน้อยคนมีปัญญาน้อยเราดูาเยอะคนโง่นะ่มันมากคนมีปัญญามันน้อยเราทำอะไรให้เห็นเนี่ยอยู่ๆเขาเดือจไม่จะเดือดเขาเขาไม่ทำเขาสบายคนในโลกเองเนี่ อยากคิดอย่างไรที่เราจะต้องทําแห่น้อยที่เราจะไม่ต้องทำมันนั้นให้เพื่อนเขาทำแต่มากเราจะทําำหตน้อยคิดอย่างไรจะให้มีให้เพื่อนทําเราจะไม่ต้องทํามันต้องคิดเป็นอย่างนี้นี่คนที่เสี่ยงคนนี้นอันนี้ให้เขาใจผมเคยปรนน้าที่อยู่ท้งไายเพื่อนทางไหนว่าผมเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเสี่ย จำองไม่ค่อยดีความจำไม่ค่อยดีระเดือนผมยอมมีมนช่วยกันแห้เระจใจถ้า ง, งั้นเสียหมดนะดูวัดเราที่ไหนที่ไหนเข้ามากันดใจเงินทองฝากมาเข้าออรวมครัวฝากมาบารุงพะฝากมาอะไรต่อไรเขาเห็นพระเนียนมัดเอนอยู่ในป่า สงบระงับแต่ใจปฏิสุทธิปฏิบัติใหญ่เขาเข้าใจผิดต้องพยายามปรับปรุงตัวเราให้มันดีขึ้นไม่เข้าใจไม่เข้าใจคนแค่รู้จักคนไปรักคนไปติดต่อคนด้วยความเสื่อมนั้นอย่าทำ ยายาพัมันไม่ดีหรอกครับไม่ดีทำไปแล้วมันไม่ดีเสียหายหลายอย่างเสียหายหลายอย่างไม่ดีเราพยายามท่อมตัวคอบตัวในการพูดในการอะไรุกทุกอย่าง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 ใครจะไปวันจันจรรท ร, รบ้างวันจันทร์้างไปเวลาเทรายมีใครว่างถึงเวลาเลยไปไปคอยกันที่ไหนรอท่ากันตรงไห น, นก็ต้องมน์เคลื่อนกันแะยานน่ายนอะ่นเยโอไม่งะไปยสวัสดวันจันทรใครอยาไปเอาข้าวมากินเมื่อไรก็ไปไปคนเดียวบางคนไปเอาออกมาแล้วคนนี้กำลังเข้าไปจะนี วุ่นวายเหมือนตัว้ากิ่งจอกมันขนออกไก่ในบ้านตอนนี้เลวายแบบนั้นมันก็ไม่ใช่พระที่จับการจับเวลาั้่ขนาดนั้นยังไม่รู้จักให้เข้าใจั้งนั้นอย่างนี้พยายามควบคุมตัวของเรามอง มันถูกเป้าหมายที่เราจะต้องกระทำมองๆูรอบๆดูสใครหน้ามาไม่ว่าจะมีแล้วหรืพยายามเถอะพยายามเถอะเมื่อคนไม่มียึดติดก็พยายามเถอะกำลังคองจะช่วยหรืเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ผลยังอยู่นี่ สมบูรณ์ไปอยู่บัานน้องโกน้อมจะอยู่วัดธรรมบุญอยากให้พอใจสับคู่กับคนให้พอใจอนันต์วันที่สองสิบที่ชายแดนต้องไปยืนอย่างดู เมื่ออยากพบครูบาอาจารย์ก็พยายามมากนานๆ็มาี่มาทำมุโบโสถกันสักมารวมกันเีืคอคืนต้องคืนสับปเป็นเวลาที่เราจะต้องเลยประชุมกันดูเรื่องกันติดต่อกันแล้วตอนที่เราอยู่เป็นกลุ่มก้อนก็ระวังหนึ่งฆ่ากันตุ ก, กระพันมา บางพระบางมูนก็เคยพระไปชอบไปคุยกับทัานคุยเรื่องเวียนสารประโยชน์นัะนแะคุยไม่ได้เรื่องเลยเราเสียหายถ้าบกันทุกกามาเราจึงคารมท่านมาจากไหนเรายังไม่รู้ท่านก็ไม่ดูเราเราก็ไม่ดูท่านจะต้องอยู่กันไปโดยที่เรีกว่าอาคารทุกข์วัด อาวาสิกกวัดคนทำอย่างไรให้เข้าใจบางทีกว่ากันตกาสตั้งจรมาแก้ไก็จะเรื่องอื่ชอบแกัเห็นไหมพระอาการตุกัดจีมานที่นี้ไปประมาณเด็กสออาทิตย์เห็นไหมมันอยู่วัดแต่ปล่อยทำนี่ไหมนั่นพระยังไ ง, ไงไหนึ่ง นัแหลเป็นเงืนไอ้คนที่ไม่เคยรู้จัก ม, มันถูกอารมณ์ก็นีน่จังหวัดนั้นมันสนุกแล้วเกินนั่นั่นมันสนุกเยอะเกินตรงนั้นมันรวยตรงนั้นมันรวยเขาถวายปัจจัยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแม่เขาดีเยอะเกินในอาหารที่นั่นดีที่นั่นดีทั้งหมดเลยอยากจะไปไปลเลยนี่ เขามาปล่อยอารมณ์แตนในใจของเราจะอยู่นะเขาบาีก็หีไปบางทีก็ไปเ๋ยวนั่นจำไปเลมาลาคูวาจาันไปบางทีสลาไปที่ต่างปุ๊บอ่านนี่มีหนังสืออ่านเยมีแผนที่เลยไปพบกันโน่นเอาอยู่แล้วแน่มันเสียอย่างนี้เลยมันเสียอย่างนี้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 ให้การพิจารณาเลยมันเสียหายอันนี้เป็นจริงทุดสาคัญเราบวชแล้วอย่างน้อยห้ารษาต้องพยายามอยู่ศึกษาพระธรรมเนีใน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 สมัยนี้มันยิ่งระวังหลายบ้านเมืองกระวนกระวายทั้งพระกันตุกะทั้งคนกันตุกะเนี่ยเราจะต้องระวังตัว น, นอย่าพึ่งไปให้ลายอย่าพึ่งไปสรรเสริญให้ดูให้สะกดรอยดจับ มันเกิดภัยที่บัตในเวลานี้มีมันมีทางที่ยืนดูนทางฝัดได้มีเพื่อนที่สุมาเล่าใหฟังมันฝ่ายคงกันข้ามมัน ม, มีอย่างนี้ งงแค่จบทานประามาอาจารย์ใหญ่เสียหลายแตกทำลายโดยมากมาเป็นพระมันในใกล้คิดมันมาดูอะไรต่ออะไรไอย่างสองมาเป็นที่เข้ามาใกล้พระโดยมากก็เข้ามาใกล้พระอาจารย์สิ่งดีเข้ามาใกล้ ถอาไว้ของเก็บใส่ให้ของเก็บใส่เอาอกเอาใจทุกอย่างจนมันเรียบร้อยมันไม่กล้คิดมันมาดูอะไรต่ออะไรใดอย่างสองมอเป็นทีเขามาใกล้พระโดยมากพอเขามาใกล้พระอาจารย์สิ่งที่ธรมาทศใต้ถอาไว้ของเก็บใส่ให้ของเก็บใส่เอาอกเอาใจ พบกอย่างจนมันเรียบร้อยจนมันอยู่มือมันจะงมันพบไปที่ไหนก็ได้เลยนะล อ, อันนี้ก็สำคัญจนกว่าที่จะธรรมนาจารย์ต่างๆให้ประชาชนเห็นถ้าประชาชนเห็นแล้ว ม, มันก็เอาออกไปล่อยข่าวออกไป วัดนั่นเป็นยังไงวัดนี่เป็นเห็นไหมเป็นอย่างไงเป็นยังงมันขี้ออกไปและเป็นเหตุมันสะท้อนกลับมาหาพวกเราพวกศาสานจาจะต้องในระวางสุวรรณมีความเสียหายมากนี่กเหมือนกิเลสเป็นเลี้ยงใช่ไหมถ้าใครรู้จักเรื่องของกิเลสก็รักษา ต, ตัวได้คือความรู้สึกนึกคิดของเรา อันนั่นก็เหมือนกันแต่มันเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นลูกเป็นล่างภายในชีิตมันเป็นความรู้สึกนึกคิดมันก็อันเดียวกันมันเป็นลูกมันก็เป็นนามมันเป็นนามมันก็เป็นลูกมันอยู่ด้วยกันถ้าใครคุ้มตัวจริงๆมันก็เอาไม่ได้ เราอยู่รวมกันจะเป็นจะทำอะไรจะพูดอะไรก็ตามที่เลือให้มันเป็นประโยชน์อย่าไปพูดสิ่งที่ว่าี่มัน็นแยกกันให้เรารู้จักคุ้มครองของสัเราคุ้มครองพูดในยังเช่นว่าอาจารย์ชูอาจารย์มียมเป็นตั หือผมนี่เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างจบางคนมันโกรธท่านอาจารย์เดียบมันไม่พอใจเนี่ยสมมติพูดอาจารย์ครูบางคนก็มันไม่ชอบอาจารย์ครูมันก็ไปพูดในอาจารย์เดียบมันมีต้นอาจารย์ครูเป็นเนี่อาจารย์เดียมเป็นนี่ยเนี่ยเราเป็นครูว่าอาจารย์ฟัง เรต้งตัดมันผางเลยไปเข้าทางโน้นทางนี้เลยนี่าอะนี่อย่าไปพูดเรื่องนี้เนร น, น, นี่อย่าพูดเรือนี้นี่มไม่ควรอาจารย์แตกกันยัมันเข้าใจอย่าไปตามมันเลยอย่าไปสนเสริมมั น, น, ไ, น, มม น, นไม่ดีดูตัวของตัวนั่นดีกว่า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 เรื่องของตัวมันเป็นยังไงเราตัดมันยันเงียบย่ามันเข้าเคยปฏิบัติอยู่กับผมหลายทีไหมยกตัวอย่างคือโยมทีที่วัดตัวโพรงมันตีสิสะนอะไรเป็นนี้ใครใครเห็นนะบางทีคุณเจ้าคุณนายมา้ามาเจ็บใคลมาเป็นทีเป็นอะไรมา เขาจะสั่งเอาอะไรมาถวายคนพิเศษผให้เขาทำไปถวายนมพิเศษถวายอะไรพิเศษบ้านั่นนะ่ะนั่นแผมนยนยนวะงะเบิด เ, เห็นอย่างนั้นอันตรายเลยนะเพราะว่าอันตรา ย, ยนะแต่ในฐานะเขาจะงทำเหมือนเน้องให้าทำนพอทำปุ ก, กผมสั่งเล น, น, นันเลิกนะตออามันพอแล้วเลิก บอก่คีในวันะผมเคยเศร้าทางใครไหมใครเคยมาติดต่อผมไนหะคนเก่าคนใหม่ไหมนะไม่ติดหรครับผมมันมันไม่ติดครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรถ้าอะไรคนไหมาพูดเอ้ยไม่ไป จะต้องทําอย่างนี้มันมีประโยชน์อย่าไปพูดที่นี่ดีกว่าให้มันแตกให้คนนี้ดีชาคนนั้นไม่คนนั้นดีชาคนนี้ไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีแน่นอนเลยไม่เป็นคํำพูดของตำนะไม่เป็นคําพูดของนักบราเออไม่เป็นคํำพูดของทักษะปฏิบัติให้เข้าใจฮนะเรามาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าเรามาหา ปฏิบัติเอาอย่างนั้นให้เข้าใจเรื่องปฏิบัติเนี่ยคนที่พูดมากอย่าเขาไปใกล้พูดสองคำสามคำนี้อคําในนี้นะอย่าเขาไปใกล้คนพูดมากคนพูดรลายมันจยเขาไปใกล้อาในนี้ ทำตามคาเชื่ อ, อให้มันเหลือใน ก, การพยายาหาโอกาสหาเวลาที่จะต้องเพ่งเพ่งพิจารณาข้อปฏิบัติของเราให้มันให้มันเชื่อใจเจ้าของเลยง่ายๆนะให้มันเชื่อใจเจ้าของ ไอ้มันอมันเป็นที่พอใจของเราในการปฏิบัติของเราเราพบแล้ววิญญาถ้าไม่พบรวมตัพยายามจริงที่เราตา้องการสมัยทุกวันนี้มันก็เลยว่ามันยังเดือดริอวัดเราทั้งสบนี่คนคนที่ เหลือที่สงบคนทยากถือสงบจ้ะทจะเข้าามาเองคนเข้ามาทั้งหลายจะมาทำควาสมสงบตรงนี้เพราะตรงนี้มันสงบก็คือจะมาทำลายที่นี่มันมันบุบวา ย, ะวายะอะอย่างนะพวกง่ายๆนะแลต้องดูจัดอันใจเราก็เหมือ า, าเราคิดว่าเหม่มันละเ่อยตรนีนั่งแล้ตัวสำคัญแล้วที่เดืดใหญ่ตรงน เราจะเห็นตามมันเลยเออจนกว่าเชมันเห็นพอดีพอดีพอดีที่เอามันมันลอกเกลียนพระองค์นั่นเลี่ยนเรืนี้แน่ตัวจำพันอะระวังไว้ถอดคิดไม่ถูกทำไม่ถูกปฏิวัติไม่ถูกนึกไม่ถูกมันชอบพระตรงนี้มันชอบเมนตรงนี้บางทีมันเป็นป่วาใจลมยไหวมันรักมันชอบมันนี่นี่ก็ไม่ยึดยึดชาติที่เหมือนกัน มันต้องไร่มันยูขนาดนี้จะทําไงถ้ามันเคลียดกัปล่อยถ้มันเกลียดถ้าขาดมันรักกบปล่อย้มันรักระเอลอลองดูสิเสียหายให้เข้าใจเรื่องรีบให้เข้าใจเรื่องความคิเจ้าขออย่าไปตามมันดิให้รู้จักมันดิ